ี่เป็นวันที่สิบสามมกราคม2500สองพันห้าร้อยสาลิบสองที่บอกวันไว้ก็เพื่อกันหลงเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้ขอให้นามว่าพระอรหันต์มาปโปรดความจริงคำว่าพระอรหรันต์บรรดาแต่พุทธบริษัทคงจะไม่ใช่อรหันต์แท้ แต่ตัว่าตัวของท่านเองมีความเข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์จึงให้จับจานนี้ขอเล่าเรื่องความเป็นมาให้ทราบสำหรับวันที่ที่เกิดจำไม่ได้แน่นอนบรรดาท่านพุทธริษัทย์ <c oughs> เพราะว่าเวลานี้การทางร่างกายไม่ดีมากมันป่วยหนักมีการสุดตรงลงไปทุกวันยีทุกวัน ก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้คงจะทนไม่ไหวเข้าใจว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานนักก็ขอใ น, ในวันประมาณวันที่สี่หรือวันที่5้าเอาตามนี้ก็แล้วกันอาจจะไม่ตรง็จราจำไม่ได้เวลาลงไปรับแขกเวลาบ่ายโมงเสร็จเวลาลงไปถึงก็มีญาติโยมพุทธบริษัทคอยอยู่ประมาณสิบคนเศษ และที่เต๊ะอี้พระนั่งก็มีพระอยู่องค์หนึ่งขอเรียกวอาพระจะเป็นพระประเภทไหนนะั่นไม่ทราบรุปร่างทมทวมเลี่ยวเนื้อเต็มไม่ถึง้ะอุวนคุยมากนักผิวคล้ำผมดีวนคล้ำพอมองดูปับก็ทราบทางด้านจิตใจเห็นใจของเธอมีสีดำมาก มันดำสนิทแล้วก็มีสีแดงแทรกหน้าของเธอไม่ยินแย้มแจ่มใสพิจารณาอีกนิดใช้เวลาครึ่งวินาทีก็ทราบว่าเธอมามามาร่วมกับมานะคือการถือตัวถือตนพุะรักษณะใจสีแดงบอกั้งความยินดีในความรู้สึกของตัวเอง มีความยินดีในความรู้คิดว่าตัวเองบรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ดูต่อไปอีกนิดให้วินาอีกเสี้ยวของวินาทีก็ทราบว่าการมาของเธอวันนี้ไม่ได้มาด้วยศรัทธาไม่ได้มาด้วยความเรื่องใสไม่มีทุระต้องการจะมาอดคือว่าแสดงการท่านลงว่าฉันคือพระอาหารหันต์ เมื่อความมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของเรื่องคือว่าการรับแขกที่บรรดาแทนพระสุบริษัทมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงทุกวันแต่และวันก็มักจะมีบรรดาแทนพระสุบริษัทรร ม, มีกําลังใจต่างกันถือว่าเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแบบนี้ ต่อมาหลังจากนั้นเมื่อบัรดาท่านพุทธวิษัทถหลายคนถามปัญหาต่างๆตามความข้องใจเมื่อตอบแล้วตามความสามารถในการตอบก็ไม่แน่นอนนะเพจะอตอบถูกเสมอไป <c oughs> เมื่อว่างพระองค์นั้นก็เข้ามากราบลักษณะการกราบของถือรูลแลประกอบด้วยความโถนงส า, ายทายเคยตายของถือมองเก้า ความจริงจะเป็นลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นทั้งสาวโมกบีขอเธอก็ได้เมื่อเธอกราบเสร็จตามความรู้สึกก็คิดว่าพระองค์นี้มาในฐานะศัตรูแต่ทว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาย่อมไม่ถือว่าใครเป็นศัตรูใช้เมตตาความรักกุศลความสงสารเป็นพื้นฐาน ต่การอย่างนี้เคยอดทนมาได้แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนี้อยดทนได้ไหมเมื่อเธออยากเธอบอกว่าทีาถ่ถามปัญหาทั้งสองข้อก็ขอบอกให้เธอถามได้เธอถามข้อแรกว่าท่านที่บรรลุสุขวาวัสกโกแล้วจะบำเพ็ญเพียรต่อไปเป็นอกิญญาสมาบัติได้ไหม ก็ตอบเธอว่าตามปกติท่านที่ได้แล้วท่านไม่ทำต่อกันเพราะว่าพระหันไปพระสิ้นตัณหาในการจะทำต่อก็เป็นการมีความอยากแปรลมของตัณหาถ้าจะถามาง่งดีคือต้องการจะระพินญาสมาบัติเสมาธิขั้นสูงทำไมยังเรียกว่าตัณหา ก็ต้องขอตอบให้บรรดาท่านบริษัททราบว่าการที่เป็นพระอรหัน์แล้วกับการทรงอริย ญ, ญามีผลต่างกันอรหันมีผลสู ง, สงกว่าปัญญามากอาัญญานั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการฝึ ก, กันตึการตัดกิเลสในเมื่อพระอรหันได้ตัดกิเลสเรียบร้อยแล้วต้องมาซื้อเครื่องมือทําไมกันต้องหาเครื่องมือทําไมกันก็เรียกว่าลบอลมลงต่ำํำ ทำรมต่าลงมาก็ถือว่าเป็นตันหา <c oughs> คืออยากดีอยากเด่นแต่ความจริงไม่ได้ตอบเธอแบบ น, นี้ตอบเธอแต่เพียงว่าในเมื่อท่านได้กันแล้วโดยมากไม่มีใครทําต่อแล้วเธอก็ถามต่อไปว่านิวร์เกิดจากอะไรอาจะมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะตอบนิวรณ์เกิดอวิชชาจะเกิดจากอาวิชชาเธอก็จะหาว่าเล่นลิ้น ก็คําคว่าอาวิชานี่เป็นศับยกย่อยของความโง่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมันจากอาวิชชาทั้งหมดอวิชชาอาวิชชาเป็นแม่บาตใหญ่ก็ตอบเิว่ า, าวนิวรณมันเกิดมาจากมันเปิดประสาทกรรมการเกิดของคนที่าอาศัยกิเลสตัณหาบาทานอคติก ร, กรรมเป็นเครื่องเชื่มสอดเกิด ฟังแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองอย่างนี่เธอไม่พอใจแต่เธอก็กราบกราบคำว่ากราบของเธอไม่ได้มีความเคารพแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรก็เบาใจคิดว่าเธอถามเท่านี้ก็ดีแล้วแม้เธอก็ลุกกลับไปเห็นเธอจะพายบายก็นึกใจใจไว้เวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงนี้เธอจะไปบินดาบ ท, ที่ไหนแม้ต่อมาบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อเธอหายรับกลับไปแล้วก็ปรากฏว่าวันที่11มกราคม2532ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายฉบับนั้นลงเมืที่5มกราคม2531นแสนดงว่าเธอลงพศออผิดบรรดาท่านพู้ถบริษัทลายมือของเธอเป็นคนเนขียนหนังสือเก่ง <c oughs> แต่บางตัวก็วัดอ่านไม่ออกเพราะว่าการลงพอสอบผิดและในเมื่อแสดงตนเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็ต้องคิดถ้าหากว่าเขียนธรรมดาธรรมดาลงพอสอผิดอันนี้ไม่เป็นไรการจะยืนยันความเป็นพระอรหันต์ลงพอสอผิดอันนี้ก็แสดงออกว่าความจริงเธอไม่ใช่พระอรหรันต์ ใจก็คือดำตามปกติคือนิวร์ไอใจดำเนี่ยมันเป็นโมหะบันดาท่านพุทธบริษัทถ้าดำสนิทมันเป็นอวิชาถ้าสีแดงเป็นความยินดีซึ่งความดีที่มีอยู่ตอนนี้ดำมากแวมีสีแดงจุดหนึ่งมันแดงว่าเธอยินดีในความรู้ที่เธอได้แล้วตามข้อความเขาจดหมายเธอเขียนอย่างนี้เือต่อเธอเขียนว่า สายเหนือที่คงจะแบ่งเป็นสายๆนะการประกาศศาสนาของคณะนี้คงจะแบ่งออกเป็นสายเธอเขียนว่าสายเหนือ้ามกราคม2531แต่ความจริงพอ2532ถึงหลวงพ่อฤาษีเลียงดำผมอักข บ, บุญโยพิคุหรือสุปาปพุท ธ, ธ พูเป็นโลกเคลื่อนในอดีตกลับมาเกิดแล้วบวชในพระพุทธศาสนาแล้วปีสามศูนและได้ศัตรูตามพระพุทธองค์แล้วฟังให้ดีนะจะนไม่ไม่พูดเขดาจังว่าจดหมายที่บอกท่านจดหมายมาบอกท่านจงอย่าสอนนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เลอะเธอะไปเกินไป เราขึ้นมาพบท่านถามปัญหาท่านสองข้อหนึ่งวิปัสนาล้วนสาเร็จแล้วต่ อ, อปัญญาได้หรือไม่สองนิวรหา้ามีมาได้อย่างไรเพื่อดูว่าท่านจะได้นิพายแล้วหรือยังสุดท้ายท่านตอบโ ง, โง่ๆมีก็วีมาตั้งแต่กำหนดหากไม่มี หากไม่มีนิวรณก็ไม่มีการเกิดในวัตถะผมจะขอบอกให้ว่าตัวนิวรณ์ห้ารการเป็นตัวแสงขานที่สองในหลักปฏิจจสมตุตบาทเห่ที่เกิดนิวรณ์ห้าก็มีอวิชาเป็นพื้นฐานเนี่ยขอพสูจีหน่อยนะก็มีอวิชาเป็นตัวนำท่านสอนคนไป น, นิพพาน แต่ตัวท่านยังไม่ถึงนิพพานเลยท่านมีแต่จะเอาลาบเสกาละผู้อื่นเขาหน้าด้านที่ไม่อยากที่ไม่อยากจะถีหน้าท่านที่ท่านรับแขกนั้นก็เป็นเพราะเห็นเก่นหน้าท่านท่านตายไปเข้าในอวัยวะท่านไม่ต้องบอกพระวิสุและคนอื่นไปหลอกท่านตีเสมอพระพุทธ อ, องค์สุดท้ายนี้ อยานักเรื่องนี้พ่านพระพิสุปุญญชัยนางสกุลบุดนามนางสกุลนีอ่านไม่ชัดนะานางสกุลนี่อ่านไม่ชัดสำนักไว้คลองเตยคลองเตยไหนจะลืมนะให้เขียนตอนท้ายว่าพระพิสุปุญ ญ, ญชัยบุดงามนางกุลไม่แน่นอนสำนักไว้ครองเตยไหน แต่ชื่อข้างบนของท่านบอกว่าผมอัคคะปุญโยพิขคหรือว่าสุภาพุทธะความจรยงสุปาพุทธะน่นาจะก่อต่อท้ายพระเจ้า ต, ต่อว่าสุปาพุทธะกธุติสุปาพุทธะก็เป็นโลกเรืน่นแต่ควานจริงจดหมายเนี่ยแตมายเขไม่วิจารณ์เพราะอะไรไหมเพราะเป็นจดหมายที่บอกชัด ว่าท่านเองจริงปฏิจจสมุทบาทแต่ก็เก่งไม่จริง <c oughs> ถ้าจะใช้คำว่าวิชามันก็ครอบโลกเขาเปิยท่านปฏิปเสธเรื่องของท่านอย่าไปสนใจเลยนะทุกคนฟังแล้วอย่ากโกรธ ถ, ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องในพุทธศาสนาเขาบอกว่าวันนี้นะคัดเศษตอนนี้และว่าหลังถือตอนนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่นิทานและไม่ใช่นิมิต เรื่องนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ต่อไปก็คุยเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆอาตจจมาเองก็เป็นคนงมงายมาก่อนในการก่อนใครพูดเรื่องนิพพานไม่เชื่อนิพพานมีสภาพสเน้าวาอย่างนั้นต่อมาหลวงพ่อปานวัดวานองโคซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเห็นว่าเรามีสัญญานชั่วแล้วมั้ง ก็ส่งให้ไปหานุพ่อสดวัดตาตากน้ำประสิจะเจริญนุพ่อเป็นเดือกับพ่อสดอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็ทำได้ตามทุกคนีว่าพื้นฐานอยู่แล้วต่อมาวันหนึ่งประมาณเวลาหกทุ่มเศษหลังจากทำวัดสวดมนต์เจริญกรรมฐ า, านกันแล้วแลุพ่อสดนั่งกับคุยชวนคุยคนอื่นก็กลับหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณสิบคน วันนั้นท่านก็บอกว่าฉันมีอะไรจะเล่าให้คุณฟังคือพระที่ไปถึงนิพพานแล้วมีรูปร่างเหมือนแก้วหมดตัวเป็นแก้วแล้วก็นึกในใจว่าตรงข้อนี้ไปมากแล้วนิพพานเขาบอกมีสภาพศูนย์ถ้าทำไมจะมีตัวมีตนเอ้ท่านก็ยังคุยต่อไปว่านิพพานนี้เป็นเมืองแต่ว่าเป็นทิพิเศษเป็นทิศที่ไม่ต้องกลับมาเอที่ มีพระอรหันต์มากมายคนที่ปฏิพัน์นได้เขาเรียกพระอารหันต์จะตายเมื่อเป็นเครวะวัจะตายเมื่อเป็นพระก็ตามกขาต้องถืงออรหันต์ก่อนเมื่อถืออรหันต์ก่อนแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นร่างกายเป็นแก้วหมดเมืองก็เป็นแก้วสฐานที่อยู่แคลาไปได้ยับอาจะมาก็นึกในใจว่าเราข้อนี้ไปเยอะ ตอนก่อนก็ดีสอนดีมาตอนนี้ชิคกจะไปมากไปแล้วแต่ก็ไม่ค้านฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มชิคกี้คุยต่อไปว่าเมื่อคืนนี้ชิ้งขีม้ากแก้วไปเมืงองนิพานเขาแล้วแล้วต่อมาคุยไปคุยมาชิคก็บอกว่าท่านคงจะทราบาท่านไม่งงเท่าเด็กสบาขนาดรู้นิพานได้แล้วยังอื่นก็ต้องรู้หมด แต่ความจริงคำรู้หมดแต่ที่นี้นะบรรดาท่านผู้บริสัทธไม่เส่รู้เท่าสพุทรเจ้าจะทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คนจะรู้ก็สามารถรู้หมดท่านก็เลยบอกว่าเธอเจอดูดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สุกสว่างมากว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้ดาวนี้ได้ปรีลงจะค่อยค่อยหลีลจงจนทั้งมองไม่เห็นแสงดาว ท่านชี้ให้ดูเริ่มมองต่อไปตอนนี้เริ่มรีแลเริ่มรีแะแสงดาวก็รีไปตามสิ่งของท่านในที่สุดรีที่สุดเห็นแสงดาวท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวไหมก็กลับไปน้อ ง, งมาเห็นแสงก็รับถ้าบอกว่ตอนนี้ไปดาวจะเริ่มค่อยๆสว่างขึ้นจีร น, น้อยๆจนทั้งที่ทสุดแล้วก็เป็นไปได้ อ๋อท่านทําถึงตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจว่าข่าวความดีที่วิชาความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่ได้นหนึ่งในล้านที่ท่านมีแล้วและคําว่านิพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้เกินที่เราจะไปคิดครูบาอาจารย์ต่างๆที่ศึกษามาใได้จะมาถ่านก็นาากดีนะ แล้วที่ศึกษาคุยกันมาคอดีที er ่ <Steph> <ui> ท่านรู้จริงท่านก็ไม่ปฏิเสธนิพพานคำว่านิพพานศูนท่านไม่ยอมพูดไปถามท่านข่าวถามนิพพานศูนหรือท่านหน่งอานใกที่สุดก็ไปถามสององค์คือต้องพ่อฟังก็หลวงถามว่านิพพานศูนย์หรือท่านตอบว่าถ้าคนใดศูนย์จะมีนิพพานคนนั้นก็ไล้มีนิพานศูนย์ แต่คนไหนไม่สูนจากนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานไม่สูนย์จะลงกว่าวันนิพพานไม่สูนแน่ที่ต่อมาพระพุทธสดท่านยืนยันเอาจิงจริาจงจริงจังต่อมาท่านกระสงเคราะห์คือนั่นเองท่านกระสงเคราห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบนิพพานเขาทํากันอย่างนี้ ท่านจะแนะนำวิธีการขขาท่านรู้สึกไม่ยากก็เราเดินัะมาเดินอยาแล้วตามพื้นฐานต่างๆถ้าบอกว่าใช้กำลังใจอย่างนี้ทำอารมณ์แบบนี้ตั้งจิตแบบนี้ทำตามท่านทุกอย่างเวลาผ่านไปประมาณทักสินาทีรู้สึกว่านานมากหน่อยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธทนิพพานมี เอ็นิพานเป็นแก้วแพ ว, วปลาไประยับพระนิความทั้งหมดเป็นแก้วหมดแต่ไม่ใช่แก้วปัน่นเป็นแก้าเดินได้คือเปล่งเปลี่ยนแพรวปลาเป็นแก้วสวย ง, งามยับทุกอย่าง ท, ที่พูดตีนหรืถึงบุญคุณพระศพทันจะไหม่หายให้มีคุณมากตรงความเวลานั้นเราอจาเป็นคนโง่อาจจะมีจิตดำถึงทึกเปิดความจริงเขาพูดตามความหมายถึงเวลานั้นจิตไม่ดำ จิตสายเป็นงแก้วแตยการแผ่วคลาวของจิตไม่มีการสายเปล่งแก้วใเวลานั้นเป็นฌานโลกีฌานสสุดให้กำลังนะั้นจะเข้าเวลาในฌะานโลกีเนี้เอาจริงเอาจังกันไม่ได้นะจะเาตลอดเวลานี้ไม่ได้เพราะว่า อ, อยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และท่านได้สั่งว่าหลังจากนี้ต่อไป ท, ทุกทุกอโอ้จึงทําอย่างนี้ติดต่อยถึงนิพพานทุกวันตามที่จึทําได้ อย่างน้อยที่สุดจงพบนิพพานสองครั้งคืนหนึ่งเช้าเมื่จะไปการีสองก่อ น, นหลังจากนี้ไปเธอกลับไปแล้วทีหลังกลับมาหาชั้นใหม่ชั้นจะสองเมื่อได้ลีลามาอย่างแน่นแล้วก็กลับมาหาคุมาจารดิงคื้นพิพพาน <c oughs> พอขึ้นจากเรือกบรายกุบประพบหลวงพ่านอยู่หน้าทา่าท่านเห็นหน้าได้ท่านก็ยิ้มม่ายังไง พ่อนักปราถนหลายเจอนิพพานแล้วใช่ไหมตกใจก็ถามว่าน้องพ่อทราบหรือครับบอกเออข้าไม่ทราบรต่ว่าเทวดาเขามาบอกเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่น้องพ่อสดฝึกพวกเองปนิพพานใช่ไหมออก็กราบเปลี่ยนเ้วดาใจก็รับท่านบอกท่านแหละมีข อ, <c oughs> ของจริงขอ้จริงมีตามนั้นน้องพ่อสดจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ จะถามว่าถ้านหลวงพ่อจะสอนเองจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าฉันสอนเองก็ได้แต่ปากพวกเธอบันมากมันพูดมากดีไม่ดีก็พูดไปพูดมางานเขาแข็งก็มากงานงงก่อสร้างก็เยอะรักษาคนก็ไปติดงานรักษาคนมีเป็นโรคก็เป็นประจําวันไม่มีเวลาว่างถ้าเธอไปพูดเรื่องนิพพานฉันสอนเข้าฉันก็ไม่มีเวลาเยอะ เวลาจะรักษาคนก็จะไม่มีเวลาที่จะกอ่อสร้างวัดต่างๆก็ไม่มีฉันหวังจะสงเคราะห์ในด้านนี้เพียงี้ยกเพียง้ส่งคนเธอไปหาหลวงพ่อสดได้ถามว่าหลวงพ่อสดหลวงพ่อรู้จักกันดีหรือก็ท่กนก็ตอบว่ารู้จักกันดีมากเคยไปสอบซ้อมกรรมฐานาด้วยกัน ต่อบกันไปสอบกันมาแล้วต่างคนต่างกันเสมอการก็รวมความว่ากําลังไล่เรียงกันอันนี้บรรดาแจ่มพุทธวิษัทนี้จุดหนึ่งที่จะมาแสดงที่ความรูบครูบาร์ใจเรื่องการหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องมีมาในธรรมบทมีพามคนหนึ่ง แต่มาอาจจะจําชื่อผิดก็ไม่ได้ดมน้ำสีมาไม่ได้ดูมาเวลานี้ก็ป่วยร่างกายไม่ดีสมองแย่อยนึกว่าใบเปียลงทุกวันทุกวันนี้มันจะอยู่ไปถึงไหนก็ไม่ทราบคงไม่นานนะักนี่พาคนหนึ่งถ้าจําชื่อไม่ผิดก็มีชื่อว่าติสตชื่อไม่ขอพูดดีกว่าจะผิดเพราะภัยด้วยถ้าผิด มีความคนหนึ่งถ้ามีความรู้สึกตนเองว่ามีความรู้มากมีลูกสิ์ทุกขามมาประกาศศาสนาคำว่าศาสนาคือคำสอนสอนคนเป็นลูกสิตทุหามมาแต่ตามคนนี้มีกรณีพิเศษคือใช้เหล็กพืชคาดผูกถ้าใครก็ถามว่าทำไมแค่เหล็กพืชขาดผูกคาดผง้รอบตัวเลย ท่านบอกว่าวิชาความรู้ของท่านมีมากท่าเกรงว่าวิชาความรู้จะระเบิดออกมาพุงจะแตกตายนี่มันก็เหมือนเหมือนกันนะ น, นะก็เกรงว่าพงจะแตกแล้วเหล็กพุ่ยขัดผงไว้แต่ควาคนนี้มีความรู้พิเศษยอย่างหนึ่งสามารถรู้สภาวะคนตายได้ คอคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตอสลรยกายเป็นสติฉันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปเป็นผมภเขาทราบได้แน่นอนถูกต้องเพียงแค่เอากระโหลกศีรษะของคนที่ตายแล้วมาแล้วเล็บกรีดไปเล็บจะติดอยู่ในฐางที่เขาเกิดในแ้าติดตําแหน่งไหนตําแหน่งนั้นจะบอกว่าเกิดที่ไหนต่อมาเขาเข้ามาใกล้สำนักองค์สมเด็จพระจอมใจ ก็ทราางทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงไตรขาดพระศาสนาเขาก็อยากจะเบ่งคงจะเบ่งเหมือนเหมือนกันอยากจะเบ่งทับพระพุทธเจ้าจึงใครคณะสิษย์ของเขาแห่ห้อมล้อมเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเขาก็ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าหลายๆอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบเหตุการต่อพระพุทธเจ้าอาจจะมีหลายลีลา ตอบตรงไปตรงมาบ้างตอบเลี่องเฉยชักบ้างตอบแบบอนุโยคบ้างในการตอบแบบนี้เวลาเรียนน้อยเขามาดรดาทานพุทธศาสนาจะไม่จะไม่พูดเลยฟังว่ตอบแบบไหนไปยังไง <c oughs> ต่อมาองค์สมเด็จไปจอมใจเห็นเขาหมดปัญหาที่จถามว่าทาําไ <c oughs> มจึงเอาเด็กว่าค่าก็ล็กมาฆ่าผัวเขาก็บอกว่าความรู้ของเขามากเป็นคงจะระเบิดเพื่ความรู้ ความรู้ระเบิดออกมาพงมันแตกตายเขายังโกรธตายสมเด็จพระจอมใจถามว่าความรู้พปเศษให้เธอมีอะไรแล้วก็ตอบว่าเอาหัวกะโหลกมาจะบอกได้ทันทีว่าใครไปเกิดที่ไหนเอาหัวกะโหลกผุ้ตุชนมาเขาตีเขบอกได้เลยคนนั้นเกิดที่ไหนคนนี้เกิดที่นหนทั้งหมดตอบถูกหมดพก็เจ้าก็ยอมรับ ต่อมาพระเจ้าจเอากรโหลกศีรษะพระรหันทินิพานแล้วอย่าลืมนาบรญดาท่านพุทบริษัทพระราหันทินิพานแล้วไม่ใช่กระดูกละเอียดเหมือนกันหมดที่ยังเป็นท่อนๆยังมีอยู่เยอะไม่ใช่ว่าต้องละเอียดเหมือนกันยี่งแค่เป็นพระรหันอย่าเข้าใจผิดมีคนเข้าใจผิดถึงมากเอาก็โหลกศีสษะพระรหันมาให้ก็ปรากฏว่าเขาไม่รู้เลยปิดไม่ติด ตอบไม่ได้องสมเด็จพระจอมใจจึงตัดว่าพระองค์นี้ไปนิพพานแล้วเขาไม่รู้จักคําว่านิพพานก็อยากจะศึกษาต่อไปองคสมเด็จพระจอมใจก็ตอบว่าถ้าจะเรียนเป็นของไม่ยากเรียนได้แต่ว่าต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันนี่เรียนไม่ได้ถ้ารายการที่สองต้องเล็กพืชออกก่อนความรู้ก็เคอยังไม่มากยังไงไงก็คงจะไม่แตก ในที่สุดเือก็ยอมรับยอมบวชเมื่อบวชแล้วฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จก็สัมมาทระเจ้าเล็กน้อยเขามารู้อรอตถผลเป็นพระอรตถผลพร้อมบริสมิธา ย, ยานนิรันดรดาท่านพุทธบริสัตเรื่องคนที่มีความเข้าใจในความรู้ว่ามีมากเป็นอย่างต่างคนนี้ความจริงก็ไม่มากจริง อย่างอาตจจมาก็าเช่นเดียวกันที่เวลาหลวงพ่อสดท่านท่านสอน ท, ทั้งทั้งที่ท่านสอนมาแล้วก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยในเมื่อท่านพูดตรงนิ้ผ่านแล้วแสดงว่าความโง่ยังไม่หมดอาราันดาท่านพุทธบริษัทเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีตอนนี้ก็ต้องขอลากันก่อนแต่ก่อนจะลารายการนี้เป็นรายการธรรมะขอยินยันว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่ช่นิทานไม่ใช่นิมิต อรัดาบรรดาทป็นสาวกเขาเปนท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจงมีความสุขจากทำสีร่ราการคือหนึ่งการให้เป็นปจัจจัยเกิดความรักสองปิยะวาจารู้ดีเป็นปจัจจัยเกิดความรักสามการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นปจัจจัยเกิดความรักสี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็นปจัจจัยเกิดความรักอรันดาท่านผู้ดวุวยัต เวลานี้พบจนจะหมดเวลาแล้วขอลาสอนขอความสุขสวัสิทธิพัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีเดบรนดาจันพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี